14. จุดทัสมวัตรห 1. กุศลากุศลปฏิสันทะหนะกถาหนาว่าด้ยวยความสืบต่อแห่งกุศลและอกุศล 686. สกกวาทีกุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีความนึกถึงความตั้งใจ เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศล น, นั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีกุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้แต่ท่านไม่ยอมรับว่าคว า, ความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศลนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาที กุศลเกิดขึ้นแก่ผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปรรวาทีใช่สกวาทีหากกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้ห8รอ ักวาธีกุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้ใช่ไหมปราวาทีใช่ักวาทีอกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มานสิการอยู่โดยไม่แยบคายใช่ไหมปราวาทีใช่ักวาทีก fitted, ุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มานสิการอยู่โดยไม่แยบคายใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มณสิการอยู่โดยแยบคายม <intro> ิใช่หรือปรวาทีใช่สกาวาทีหากกูสนเกิดขึ้นแก่ผู้มณสิกาลอยู่โดยแยบคายท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากูตุลโมลสืบต่ออกูตุลโมลได้สกาวาทีกูตุลโมลสืบต่ออกุตุลมูลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาที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 อูเบขาเกิดขึ้นในลำดับแห่งปฏิคะใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห8รสกวาทีอกูโลโมสืบต่อกูโซลมมลได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สกาวาทีความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศล น, นั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศลใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอกุศลมูลสืบต่อกุศลมูลได้แต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศล น, นั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอากุศลใช่ไหมปรวาทีใช่จักกวาทีอกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปราวาทีใช่สกวาทีหากอากุศลเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอากุศลมูลสืบต่อกุศลมูลได้หกร้อยสิบกาวาทีอกุศลมูลสืบต่อกุศลมูลได้ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มานสิกการอยู่โดยแยบคายใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มานสิกการอยู่โดยแยบคายใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มานสิการอยู่โดยไม่แยบคายมิใช่หรือ ปรวาทีใช่ส ก, กวาทีหากอากุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มนัสสิการโดยไม่แยบคายท่านก็ไม่ควรยอมรับว่อาอกุศลรมูลสืบต่อกุศลรมูลได้ส ก, กวาทีอกุศลรมูลสืบต่ออกุศลรมูลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีกามสัญญาเกิดขึ้นในลำดับแห่งเนคขมัสัญญา พยาบาทสัญญาเกิดขึ้นในลำดับแห่งอัพยาบาทสัญญาวิหิงสาเกิดขึ้นในลำดับแห่งอวิหิงสาสัญญาพยาบาทเกิดขึ้นในลำดับแห่งเมตตาวิหิงสาเกิดขึ้นในลำดับแห่งการุณาอรติเกิดขึ้นในลำดับแห่งมุทิตาปฏิฆะเกิดขึ้นในลำดับแห่งอุเบขาใช่ไหมประวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 690ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ากุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้อกุศลมมลสืบต่อกุศลมูลได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีจิตคลายกำหนดในวัตถุที่ตนกำหนดกำหนดในวัตถุที่ตนคลายกำหนัดเท่านั้นมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาที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 ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งอายตนะห6หกร้อยเก้กวาทีอายตนะหกเกิดขึ้นในคันมารดาไม่ก่อนไม่หลังกันใช่ไหมปราวาทีใช่ักวาทีบุคคลมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบส่วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องยังลงในคันมารดาใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีจะขายตนาเกิดขึ้นพร้อมกับปฏิสนธิจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมือเท้าศีรษะหูจมูกปากฟันเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสตยตนาะคานายตนาะชิวหายตนาเกิด พร้อมกับปฏิตนที่จิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมือเท้าศีรษะหูจมูกปากฟันเกิดพร้อมกับปฏิตนที่จิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น692ปรวาทีจะขายุตนาเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้อยู่ในคันมารดาในภายหลังใช่ไหมสกวาทีใช่ ปรวาทีสัตว์ผู้อยู่ในคันมารดาทำกรรมเพื่อได้จักสุอยู่ในคันมารดาใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้อยู่ในคันมารดาในภายหลังใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสัตว์ผู้อยู่ในคันมารดา ทำกรรมเพื่อได้ชิวหาอยู่ในคันมารดาใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีผมขนเล็บฟันกระดูกเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้อยู่ในคันมารดาในภายหลังใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีสัตว์ผู้อยู่ในคันมารดาทำกรรมเพื่อได้อัติอยู่ในคันมารดาใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าผมขนและฟันกระดูกเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้อยู่ในคานมารดาในภายหลังใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ารูปนี้เป็นกลละก่อนจากกลละเกิดเป็นอับพุทธ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 มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ส ก, กวาทีดังนั้นผมขนเล็บฟันกระดูจึงเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้อยู่ในคันมารดาในภายหลังสลายตนุปปติกถาจบสามอนันตระปัจจัยกถา138ว่าด้วยอนันตระปัจจัย 693้อกสกวาธีโสตวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักขุวิญญาณนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งโสตวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีโสตวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจักขุวิญญาณ แต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจกุวิญญาณนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งโสตวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสตวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสตวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือ ปรวาทีใช่สกวาทีหากโสตวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าโสตวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจักขุวิญญาณหกพัก้าสี่สกวาทีโสตวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีจะคูวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้มานัสิการรูปนิมิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสดวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้มานสิการรูปนิมิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจะคูวิญญาณมีรูปเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที โสตวินญาณมีรูปเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยจักรสุและรูปจักุวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยจักรสุและรูปโสตวินญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีเพราะอาศัยจักสุและรูปโสดวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปราวาธีใช่สกวาธีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักษุและรูปโสดวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงใช่ไหมปราวาธีไม่มีักวาธีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักสุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีหากประสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักรสุกับรูปจกักขวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจักรสุและรูปโสดวิญญาณจึงเกิดขึ้นสกวาทีโสดวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจกักขวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่ สักวาทีจะคูวิญญาณกับโสดวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น6 9ร้ักกวาทีคานวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งโสดวิญญาณจิวหาวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งคานวิญญาณกายวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจิวหาวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจิวหาวิญญาณนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกายวิญญาณใช่ไหมปราวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีกายวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจิวหาวิญญาณแต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจิวหาวิญญาณนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกายวิญญาณใช่ไหม ปรวาทีใช่สักวาทีกายวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีกายวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากกายวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ผู้ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า กายวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งชิวหาวิญญาณ696้ักสกกวาทีกายวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งชิวหาวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้มนสสิการรสสนิมิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้มนัสสิการรสสนิมิตใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีชิวหาวิญญาณมีรสเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปราวาทีใช่ักกวาทีกายวิญญาณมีรสเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักกวาทีเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยจิวหาและรสกายวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยจิวหาและรสกายวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจิวหาและรสกายวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่ใช่ไหม ปราวาทีไม่มีสักวาทีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีหากพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยชิวหาและรสกายวิญญาณจึงเกิดขึ้น สักวาทีกายวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจิวหาวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีจิวหาวิญญาณกับกายวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น697ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าวิญญาณหเกิดขึ้นต่อเนื่องกันและกันใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาที บางคนที่ฟ้อนรําขับร้องประโคมดนตรีเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสและถูกต้องโพธิภพมีอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบางคนที่ฟ้อนรําขับร้องประโคมดนตรีเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสและถูกต้องโพธิภพได้มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า วิญญาณหเกิดขึ้นต่อเนื่องกันและกันอนันตระปัจจยกถาจบ 4. อริยรูปกถาหนึว่าด้วยอริยรูป698้ักกวาทีอริยรูปอาศัยมหาภูต ร, รูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอริยรูปเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีมหาภูตรูปเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมาหาภูตรูปเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอริยารูปเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอริยรูปอาศัยมหาภูตรูปใช่ไหมปรวาทีใช่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 ห9รปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอริยรูปอาศัยมหาภูต ร, รูปใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกจุด ท, ทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งคือมหาภูต ร, รูปสและรูปที่อาศัยมหาภูต ร, รูปสี่มีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ ปรวาทีดังนั้นอริยรูปจึงอาศัยมหาภูตรูปอริยรูปกถาจบ 5. อัญโยอนุสยโยติกถา1นึรว่าด้วยอนุสัยเป็นคนละอย่างกันกับปริยุท ธ, ธานกิเล 700, สเจ็ดร้อยสกวาทีกามราคานุสัยกับกามราคะปริยุท ธ, ธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีใช่ สกワทีกามราคะกับกามราคัประยุทธ์ฐานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกワทีกามราคะกับการมราคัประยุทธ์ฐานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่ักワทีกามราคานุสัยกับการมราคัประยุทธ์ฐานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีปฏิคานุสัยกับปฏิคะปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีปฏิคะกับปฏิคะปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปฏิคะกับปฏิฆะปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีปฏิคานุสัยกับปฏิ พระปริยุทธฐานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมานานุสัยกับมานะปริยุทธฐานเป็นตัวอย่างกันใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีมานะกับมานะปริยุทธฐานเป็นตัวอย่างกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีมานะกับมานะปริยุทธฐานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมประวัติใช่สักวาทีมมานานุสัยกับมานะปริยุทธฐานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีทิฏฐานุสัยกับทิฏฐิปริยุทธฐานเป็นโกละอย่างกันใช่ไหมประวาทีใช่สักวาที ทิฏฐิกับทิฏฐิปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทิฏฐิกับทิฏฐิปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทิฏฐานุสัยกับทิฏฐิปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิจิกิจฐานุสัยกับวิจิกิจฐาปริยุทธาน เป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีใช่ศักวาทีวิจิกิจฉากับวิจิกิจฉาปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นศักวาทีวิจิกิจฉากับวิจิกิจฉาปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีวิจิกิจฉานุสัยกับวิจิกิจฉาปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีภวะราคานุสัยกับภวะราคาปริยุทธฐานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมป ร, รวาทีใช่สกวาทีภวะราคะกับภวะราคาปริยุทธฐานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนัน้นสกวาทีภวะราคากับภวะราคาปริยุทธฐานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีภวราคานุสัยกับภวราคะปริยุทธฐานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวิชานุสัยกับอวิชชาปริยุทธฐานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชากับอวิชชาปริยุทธฐานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีอวิชากับอวิชาปริยุทธฐานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชานุสัยกับอวิชาปริยุทธฐานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น7 0็ดร้ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอนุสัยก riage, ับปริยุทธฐานกิเลสเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมสกวาทีใช่ ปรวาทีปุถุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกริเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีอนุสัยใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านยอมรับว่าถูกปริยุท ธ, ธานกิเลสกลุ้มลุมใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้น อ, นอนุสัยกับปริยุท ธ, ธานกิเลสจึงเป็นคนละอย่างกัน ปรวาทีปุถุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากริตเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีราคะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านยอมรับว่าถูกปริยุท ธ, ธานกิเลสกลุ่มรุมใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นราคะกับปริยุท ธ, ธานกิเลส จึงเป็นคนละอย่างกันอนโยอนุสยโยติกถาจบ 6. ปริยุทธานังจิตตวิปยุตตันติกถา141ว่าด้วยปริยุทธานกิเลสวิปยุตจากจิต702ดส ก, กวาทีปริยุทธานกิเลสวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีปริยุทธฐานกิเลสเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายตนะเป็นโพธพายตนะใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปริยุทธฐานกิเลสวิปปยุตจากจิตใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะจิตเป็นอกุศลจิตเจ้าหมองไม่มีใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะจิตเป็นอกุศลจิตเจ้าหมองมีอยู่มิเชฟหรือประวาทีใช่สกวาทีหากจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะจิตเป็นอกุศลจิตเจ้าหมองมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าปริยุท ธ, ธานกิเลสวิปยุทธจากจิต ปริยุทธานังจิตตวิปยุตันติกถาจบเจ็ดปริยาป น, นกถา142ว่าด้วยธรรมที่นับเนื่องวัตทุเจ็ดร้อยสามสกวาธีรูปราคะนอนเนื่องอยู่ในรูปาธาตุนับเนื่องในรูปาธาตุใช่ไหมประวาธีใช่สกวาธี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 ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีรูปราคะไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติไม่เป็นเครื่องแสงวงหาอุบัติไม่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสหรคตเกิดร่วมประคนสัมพยุตเกิดพร้อมกันกับดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตดวงที่ไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติ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 ักวาธีรูปราคะนอนเนื่องอยู่ในรูปธาตุนับเนื่องในรูปธาตุใช่ไหมประวาทีใช่ักวาธีสัทธราคะนอนเนื่องอยู่ในสัตธาธาตุน <apostles Return Birthday> ับเนื sometime, ่องในสัตธาธาตุใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาธีรูปราคะนอนเนื่องอยู่ในรูปธาตุนับเนื่องในรูปธาตุใช่ไหมประวาทีใช่ักวาธี คันธราคะรัสราคะโพธพราคะนอนเนื่องอยู่ในโพธพธาตุนับเนื่องในโพธพธาตุใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัท ธ, ธราคะนอนเนื่องอยู่ในสัทธธาตุแต่ท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในสัทธธาตุใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีรูปราคะนอนเนื่องอยู่ในรูปธาตุ แต่ท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในรู ป, ปธาตุใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีคันธราคะรัสราคะโพธพราคะนอนเนื่องอยู่ในโพธพธาตุแต่ท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในโรรพธพธาตุใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีรูปราคะนอเนื่องอยู่ในรู ป, ปธาตุ แต่ท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในรูปประธาต์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น704ดรสกวาทีอรูปปราคะนอนเนื่องอยู่ในอรูปประธาต์นับเนื่องในอรูปประธาต์ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีอรู ป, ปราคะเป็นเครื่องสแสวงหาสมาบัติเป็นเครื่องสแสวงหาอุบัติเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน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 ักวาทีอรูปราคะนอนเนื่องอยู่ในอรูปธาตุนับเนื่องในอรูปธาตุใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีส um> ัทธราคะนอนเนื่องอยู่ในสัตธธาตุนับเนื่องในสัทธธาตุใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีอรูปราคะนอนเนื่องอยู่ในอรูปธาตุนับเนื่องในอรูปธาตุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที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 แต่ท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในอรู ป, ปธาตุใช่ไหมปราวาทีไม่ควกรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีคันธ ร, ราคะรัศราคะโพธพราคะนอนเนื่องอยู่ในโพธพธาตุแต่ท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในโธธพธพธาตุใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีอรูปปราคะนอนเนื่องอยู่ในอรู ป, ปธาตุ แต่ท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในอรูปปทาต์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ร้ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ารูปปราคะนอนเนื่องอยู่ในรูปปทาต์นับเนื่องในรูปปทาต์อรูปราคะนอนเนื่องอยู่ในอรูปปทาต์นับเนื่องในอรูปปทาต์ใช่ไหมจสกวาทีใช่ปรวาที กามราคะนอเนื่องอยู่ในกามาธาตุนับเนื่องในกามาธาตุมีเช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากามราคะนองเนื่องอยู่ในกามาธาตุนับเนื่องในกามาธาตุดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปประราคะนอเนื่องอยู่ในรูปธาตุนับเนื่องในรูปธาตุอรูปปราคะนองเนื่องอยู่ในอรูปธาตุนับเนื่องในอรูปธาตุปริยาปัณกถาจบ แปดอภยากตกถาหนึ่งสสว่าด้วยอภยากฤตเจ็้อยสักวาทีทิฐิเป็นอภยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีทิฐิเป็นอภยากฤตฝ่ายวิบากเป็นอภยากฤตฝ่ายกิริยาเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายตนะเป็นโพธพายตนะใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทิฏฐิเป็นอภพยกฤิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผัสะที่สัมปยุต ด, ด้วยทิฏฐิเป็นอภพยากฤิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทิฏฐิเป็นอภพยกฤิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาที่สัมปยุต ด, ด้วยทิฏฐิสัญญาเจตนา จตที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิเป็นอัพยากริตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีภัสสะที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทิฏฐิเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิสัญญาเจตนาจิต ที่สัมยุญด้วยทิฏฐิเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทิฏฐิเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็เจ็ดสกวาทีทิฏฐิเป็นอัพยกฤิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทิฏฐิไม่มีผลไม่มีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ทิฏฐิมีผลวิบากมิเช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากทิฏฐิมีผลมีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทิฏฐิเป็นอัพยากฤษสกวาทีทิฏฐิเป็นอัพยากฤษใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโทษทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งมิเช่หรือปรวาทีใช่ สักวาทิหาโทษทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีมิจฉาทิฐิเป็นอย่างยิ่งท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทิฐิเป็นอัพยากฤิศักวาทิทิฐิเป็นอัพยกฤิใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทิพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าวัชฌามิจฉาทิฐิแลเป็นอกุศลสัมมาทิฐิเป็นกุศล มีอยู่จริงมิเชฟหรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าทิฏฐิเป็นอัพยากริตสกวาทีทิฏฐิเป็นอัพยากริตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปุณณนะเรากล่าวว่าคติของคนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีสองอย่าง คือนรกหรือกําเนิดสัจจดีปราชานมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีดังนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทิฐิเป็นอัพยากฤิ708็ร้ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทิฐิเป็นอัพยากฤตใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีประสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าวัชชะ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 คำว่าหลังจากตายไปตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกคำว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มิใช่ไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เราไม่พยากรณ์มีอยู่จริงไมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นทิฐิจึงเป็นอัพยากริตสกวาทีทิธฐิเป็นอัพยากริตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ประสูนที่พระผู้มีพระภาคตรัสไ ว, ว้ว่าภิกษุทั้งหลายกายกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิวัจจีกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิมโนกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิเจตนาความปรารถนาความตั้งใจและสังขารทั้งหลายของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ทำทั้งหมดนั้นยอมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจมือเกลื้อกูลเป็นทุกข์มีอยู่จริงไม่ใช่หรือประวาทีใช่ตะกวาธีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าทิฐิเป็นอัพยากริตอัพยากตกถาจบ 9. อภริยาปันกถา144ว่าด้วยธรรมที่ไม่นับเนื่องในโลกิยะ709ดกสกวาทีทิฏฐิเป็นธรรมที่ไม่นับเนื่องใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีทิฏฐิเป็นมักผลนิพพานโสดาปติมักโสดาปติผลสกทาคามิมักสกทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผล อรหัตมักอรหัตผลสติปัฐานสมปทานอิทธิบาทอินรีภละโพชงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ0รสปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทิฏฐิเป็นธรรมที่ไม่นับเนื่องใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีปุุชน ท่านยอมรับว่าปราศจากความกำหนัดในการมทั้งหลายใช่ไหมสกวาธีใช่ประวาทีท่านยอมรับว่าปราศจากทิฐิใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีดังนั้นทิฐิจึงเป็นธรรมที่ไม่นับเนื่องอปริยาปัญนนกถาจบจุดทัศสมวัคจบ รวมกถาที่มีในวัดนี้คือ 1. กุศลากุศลปฏิสันทหันนกถาสองสลายยัตตนุปปติกถาสามอนันตระปัจจยกถาสีออ่อริยรูปกถาห้าอโยอนุสยติกถาหกปริยุทธานังจิตตวิปรยุตันติกถาเจ็ดปริยาป น, นกักถาแปดอภยัก กตาคตา9อปริยปันนกคา